กับลูกร้านนะ <laughs> ให้สิทธิพิเศษพิงเข้าไป <laughs> การง่วงนอนขณะฟังด้วย และนั่งสมาธิด้วยอาจารย์มณนะตอบอ เ, อเพราะต่างคนต่า ง, งนั่งหลับนั่งง่วงมาด้วยกัน ธรรมะของท่าจัด บ, บุญมีท่านก็นให้โอุบาทแล้วก็พยายามเก็บกุศลบายเก็บเพล่เก็บน้อมที่ท่านให้โอุบาทเราเราก็น้อมนำเอาไปปฏิบฤติปฏิบัตินี่นเราก็ได้เป็นอุบายของเราในการที่เราจะนั่งแก้จีได้ไม่ท่าคือการงงเหงาเข้านอนในข้างพิธการ พระพุทธเจ้าก็สอนพระโมคคัลลานะว่าเวลาการมุ่ ง, งเงาหานอนให้เอาน้ำล้างรูปหน้า <c oughs> นที่ท่านกล่าวไว้แล้วก็เอานิ้วยอนใช้เข้าในใ น, ในหูนี่ก็อาการหนึ่งแงด้ดูพระจัน์ นี่ก็อีกอาการหนึ่งที่เราจะแก้ได้แต่สรุปแล้วก็คือว่าเราอย่าทิ้งสติให้เรากำหนดพุดโทโธก็ดีหรือกำหนดลมหายใจก็ดีพยายามให้มีวิตกวิจาร์ถ้าว่าเราเผลอสติมาไหลมันก็จะเกิดความงงเหงาเหานอนหลวงปู่แย้ท่านก็เปรียบเทียบเสมอกับแสงหิ่งห้อยเวลาแสงหิ่งห้อยเป็นกับพริบกับพริบกับพริบ สติของเราก็เป็นลักษณะนั้นถ้าเบิดสติล้วอ่อนแสงกระพริบมันก็จะกระพริบลีลงลีลงแล้วก็จะหลับเป็นในที่สุดจากการที่หลับเพราะว่าเราขาดสติให้เราพึงระลึกถึงคำบริกรรมหรือให้มีสติให้มีวิตกวิจาร์อย่าทิ้งถ้าว่าเรามีสติอยู่รับรองไม่หลับ ใครจะไปต้ากินไงมันมันไม่ยอมมันไ ม, ไม่หลับแน่นอนอย่าทิ้งสตินะแล้วให้อาจะจะมีขยายข้อความอีกหน่อยนึงนี้เหรอผูบนน้บายที่ท่านพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้า พระโมคคลลนะท่านทำความเพียรท่านง่วงนั่งสับประงกงอยู่พุทธิเจ้าไปให้อุบายเวแบบทีจารยร์มาหนะ้ท่านเติมให้ฟังนั่นแหละแต่ว่าอันนั้นเป็นสาวกภูมิอเป็นคนที่เกิดในกาละสมบัติเกิดสมัยพุทธิเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะท่านเรียกว่าเกิดในกาละสมบัติเป็นผู้ที่มีบุญมากอื ถึงขนาดนั้นท่านก็ยังง่วงท่านทาความเพียรท่านง่วงรู้ทีเจ้าท่านก็ไปแก้การแก้เพียงแต่เบนเบี่ยงการวางจิตได้แค่นั้นท่านก็สามารถแก้ได้แต่ในที่สุดที่ท่านสอนพระโมคคัลลานะในที่สุดถ้าเปื่อยทำยังไงก็ไม่หายง่วงทาไงไม่หายง่วงท่านให้พักให้นอนความง่วงความง่วงนี่ก็คือ ความห่วงมันก็มีเหตุปัจจัยของมันอนะอุบายนี้เอาไปใช้ได้หมดกับทุกอย่างทุกเรื่องความห่วงเราก็ย้อนไปที่ความห่วงโอ้ร่างกายเราพักผ่อนไม่เต็มที่เราก็ทราบโอ้ร่างกายเราพักผ่อนไม่เต็มที่โอ้เรารับทานอาหารมากเกินไปโอ้เป็นเวลาที่เรามักจะงีบตอนนี้เวลานี้เนี่ยมันทำให้เราห่วงไปหมดแหละแล้วก็บางทีก็เคลิมเคลิ้มสบายสบาย มันหลงมันเคลิมเคลิมไปง่ายงเผลอง่ายๆเผลอแล้วก็หลับคือความหลับบางอย่างเกิดขึ้นจากการอ่อนเพลียของกายความขี้เกียจของกายความหลับบางอย่างเกิดขึ้นจากความขี้เกียจของจิตความขี้เกียจของจิตการไม่มีอารมณ์อะไรที่มากระตุ้นให้จิตเกิดความรบเรา้าเร้าใจให้เกิดการตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมา ต้องอาศัยสิ่งสิ่งที่เป็นสารถีสิ่งที่เป็นสารถีอรถคอยบังคับให้จิตตื่นอยู่ตลอดเวลาก็คือสติต้องเอาสติค่อยๆมาเข้ามาเอาสติมากระตกจิตอยู่ทุกระยะทุกเวลาเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าให้ภาวนาพุทโธพุทโธนี่จะเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ถ้าเราไม่พยายามยกจิต ให้มันมาอยู่กับอารมณ์เนี้ยจิตมันก็ตกจิตมันกตกไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องรู้รู้ตัวระลึกรู้รู้ว่าเรากําลังพุโทโธด้วยสติกับสัมผชัญญะต้องมาด้วยกันสติกับสัมผชัญญะมาด้วยกันอันนี้เป็นเป็นอุบายเป็นวิธีถ้าหาเรางว่วงเต็มที่รางว่วงเต็มที่ถ้าเผื่อเราอยู่ที่พักของเราเราก็ลุกขึ้น เราก็เดินจากนั่งแล้วก็ไปเดินอย่งกรมหรือไม่ก็ไปลูบน้ําหรือไปทํานู่นทํำนี้ไปอะไรสักพักหนึ่งแต่เราไม่ปล่อยไม่ปล่อยความตั้งใจไม่ปล่อยสติไม่ปล่อยความรู้สึกตัวไม่ปล่อยอย่างนี้ก็ไม่เสียเป็นการสับเปลี่ยนการที่เราพยายามบริกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นการปลุกจิตให้ตื่นเอาสติไปปลุกให้จิตตื่นอ่า การที่มีสติแต่ละครั้งแต่ละขณะแต่ละขณะนะ่ะคือจิตคือผู้รู้ตราบใดผู้รู้ของเราไม่ค่อยชัดเจนก็คือผู้รู้ของเราขาดสติผู้รู้ที่ชัดเจนที่สุดคือผู้รู้ที่มีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในขณะ น, นั้นในตอนนั้นน ะ, ะวัชนสติจึงเป็นอุปการะกับจิตทั้งๆ ท, ที่สติก็คือสติก็เกิดจากจิตสัมปชัญญะก็เกิดจากจิต ที่ท่านเรียกว่าเจตสิกรธรรมเจตสิกรธรรมเกิดจากจิตสติความระลึกได้เราทดสอบดูในจิตของเราก็ได้อ๋อเราระลึกตัวรู้อยู่อย่างนี้ชัดเจนอยู่อย่างนี้ขณะนี้ว่าเรากำลังมีสติเต็มที่เราพยายามทรงอันนั้นเอาไว้ทรงไอความรู้สึกชัดๆตรงนั้นพยายามพยายามกำหนดเอาไว้พยายามทรงเอาไว้ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีวิตกวิจารวิตตกคือความตรึกพุโทโธพุโทโธวิจาร์คื อ, คอตรองประคองเราไปดูในองค์ฌานท่านพูดเอาไว้วิตกวิจารปิติสุกเอกคตาภายในจิตในขณะที่นั่งอยู่ตอนนั้นถ้ามี5อย่างนี้คนนั้นก็สามารถทรงอยู่ในอารมณ์ของปฐมฌานของปฐมฌานอันนี้หลักนะหลักท่านพูดเอาไว้ มีวิตกมีวิจารณ์คําว่าวิจารณก็คือประคับประคองไปมีสติประคับประคองมีสัมปชัญญะประคับประคองมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้หรือมีความอดทนประคับประคองมีความภาคเพียรประคับประคองมันเป็นกิริยายังไงเราดูไปที่จิตเราเห็นน ะ, ะถ้าเรามาดูโดยตัวอักษรนีดูไม่ดูไม่ออกคืออะไรอะไรคือตัวสติตัวสัมปชัญญะ ตัวอตปะตัวขันติอะไรต่ออะไรเนี่ยเราดูไม่ออกเราดูไปที่จิตเนี่ยเราจะดูออกความเพียรความประคองต่อเนื่องให้พืชเข้าไปเนี่ยเนี่ยอันนี้หมายก็ว่าจิตปกติร่างกายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยร่างกายไม่อ่อนเพลียร่างกายได้รับความพักผ่อนเต็มที่แต่จิตของเราอ่อนการฝึกอ่อนการฝึก มีสติกำกับมีสัมผัสัญญากำกับพอเรามันนั่งภาพมันก็เคลื่มหลับบางทีอารมณ์ที่เรากล่อมให้เขานะี่มันพร้อมที่จะหลับบางทีความสุขเข้าไปนิดหน่อยเพิ่มที่จะหลับเพิ่มที่จะหลับเราไม่ให้หลับบางช่วงเราเผลอไปมันหลับช่างมันตื่นขึ้นมาเอ้าจับต่ออีกไม่ให้หลับละดีอคำว่าหลับก็คือมันเคลื่มไปแป๊บเดียวลืมตัวไปไม่รู้ไปไหนอพอ รู้สึกตัวเตรียมที่ขึ้นมาก็จับต่อยอทาอยู่อย่างงี้และสังเกตด้วยตอนมันไปมันไปยังไงและตอนมันมามันมายัางไงพยายามจับตรงนี้ด้วยอันนี้คือการศึกษาในในจิตเขาภายในจิตของเราเป็นเรื่องข้างในทั้งหมดนะอย่างเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังนะเป็นเรื่องข้างในทั้งหมดที่พูดให้ฟังกิริยาความอยากอะไรต่างๆที่พูดให้ฟังข้างในเพราะการภาวนาเป็นเรื่องภายในโบราณเขาเรียกว่าทางในทางใน ก็คือพิจารณาข้างในนั่แหละพิจารณาข้างในก็คือเอาผู้รู้มาพิจารณาสิ่งที่มันรู้สิ่งที่มันรู้ก็คืออารมณ์ผู้รู้ก็คือจิต hmm. สติเป็นอาการของจิตสัมผััญญาเป็นอาการของจิตเกิดจากจิตอาศัยอารมณ์อันเดียวกันกับจิตดับพร้อมกับอารมณ์อันเดียวกันกันกบจิตแต่หากมันเป็นอุบายวิธีกระตุกให้จิตตื่นพุทโธ พุทโธพุทโธแต่ละครั้งเป็นเจ ต, ตนาเป็นเจตจำนงเจตจำนงที่ใช้จิตร ะ, ระลึกรู้อยู่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคําบริกรรมพุทโธเหมือนกับเราป้อนอาหารเข้าไปพอเราป้อนไปป้อนไปมันอยู่นานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าอาหารก็เริ่มอิ่มเริ่มอิ่ ม, มวิตกวิจารณ์ปิติเมื่อมีปิติความสุขมันก็อยู่เอกคตามันก็มีอยู่แล้วถ้าเอากขตามไม่อยู่ เอกก็ถ้าอารมณ์อันเดียวที่เราบริกรรมถ้าจิตไม่อยู่ปิติก็เกิดไม่ได้ความสุขก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากอยู่ถ้าหากอันนี้อยู่คนก็มีองค์มีองค์องแห่งความสงบอันนี้เราเอาหลักมาจับคร่าวๆพอไม่ให้เราหลงโอ้หลักเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจับเอาไว้บางทีเราก็ขยับไปขยับไปหลักเป็นอย่างงี้เราจับอย่างงี้ ทำไปทํำไปละเอียดลึกมากไปกว่า น, นั้นอะ่ะมันอิ่มมันอิ่มแล้วเราไม่ต้องป้อนให้มันคําว่าพุโทโธพุโทโธดำริพุโทโธพุโทโธเหมือนกับว่าเราป้อนเราไม่ต้องป้อนอทิ้งวิตกทิ้งวิจารณเหลือแต่ปีติเหลือแต่ความสุขเอกขตานี่อันนี้ขยับเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะขยับเข้าไปอีกระดับหนึ่งของความสงบอันนี้เป็นหลักมาเทียบนะเราสามารถวัดภายในจิตของเราได้เวลาเราทําเนี่ยออื ไม่งั้นเราก็หลงอีกบางทีเคลิ้มหลับตื่นตัวอะไรขึ้นมานิดหน่อยอัศจรรย์แล้วเอาไปคุยเป็นวาเป็นศอกเอาไปคุยเป็นศอกเป็นวานะทั้งๆที่หลักก็อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเรามีหลักเนี่ยเราเรารู้ได้ว่าเราก้าไปได้ยังไงถ้าเราจับหลักได้เราก็จะทิ้งหลักทำอยู่อย่างนี้ประคับประคองอยู่อย่างนี้ได้รั้ความสงบ ก็เหมือนอย่างที่หลงตาท่านท่านสอนนะบางทีจิตดึงมาให้สงบเท่าไหร่มันก็ไม่มาดึงมาเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่ดึงมาเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ท่านก็ให้พิจารณาพิจารณาจิตที่มันไปเกี่ยวข้องนั่นแหละอารมณ์ที่มันรุนแรงที่สุดที่มันไปเกี่ยวข้องเช่นอารมณ์สดสดร้อนๆที่เราก่อนเรานั่งภาวนานะใจมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรอารมณ์อะไรร้อนๆสดสดร้อนร้อนเนี่ยพอเรามานั่งภาวนาปั๊บอ้าวจิตมันประวัติไปถึงเรื่องนั้นแหละ จิตมันคิดไปถึงเรื่องนั้นจิต ค, คิดถึงเรื่องนั้นท่านให้ย้อนไปพิจารณาถึงสาระเรื่องนั้นดูข้อเท็จจริงเรื่องเหล่านั้นไปคลี่คลายเรื่องเหล่านั้นลุงตาท่านเปรียบว่าเหมือนเถาวันนะเหมือนเถาวันมันเลือเล้อยไปเลื้อยไปมันไปเกาะนู้นมามันไปพันนี่เราก็ไปตัดนู้นออกเราไปตัดนี่ออกะ ตัดนู้นออกตัดนี่ออกตัดจริงที่มันไปพันมันไปพันนู้นมันไปพันนเราตามไปพันนู้นเราตามไปรื้อตรงนั้นตามไปรื้อตรงนู้นตามไปรื้อตรงนู้นตามไปรื้ออารมณ์ที่มันไปพันเนี่ยพอเรารื้อได้พอเรารื้อได้มันก็เป็นตัวของตัวก็เหมือนถ้าเราจะเที่ยวกเหมือนอย่างเราตัดไม้ตัดไม้ต้องการไม้สักต้นหนึ่งเราตัดเสร็จแล้วเราดึงมานะ ดึงมันก็ติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดเครือเส้นนั้นติดเครือเส้นนี้เราก็ตามไปฟันฟันเส้นนั้นออกฟันเส้นนี้ออกฟันยอดนั้นออกฟันยอดนี้ออกฟันไปฟันไปเพรามหมดเราก็เอาไม้ลำนั้นออกมาได้จิตเป็นตัวของตัวได้โดยเหตุที่เราใช้สติใช้สัมผััญญาไปตัดอารมณ์ที่มันไปค้างอยู่นั่นแหละนี่หลวงตาท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิ คือใช้จิตนี่แหละพิจารณ า, พ, า, รณาพิจารณาไปพิจารณาไปมันพอไปเห็นสาเหตุต้นตอที่แท้จริงของมันมันก็สงบได้ปัญญาอบรมสมาธิสมาธิก็อบรมปัญญาปัญญาก็อบรมสมาธิเราสามารถเดินไปด้วยกันได้นะลักษณะปัญญาอบรมสมาธิอีกวิธีหนึ่งก็คือหลักมหาสติปัฏฐานนี่หลักของปัญญาอบรมสมาธิหลักมหาสติปัฏฐาน ตามดูกายตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจรารณาจิตตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตที่แท้จริงวงจรตรงนี้เป็นวงจรข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสัญญายกมากระทัดรัดเพื่อให้เราพิจารณาเพื่อที่จะดับไอ้ตัวความอยากที่มันแทรกเข้ามาที่ใจนั่นแหละมันดับดับที่มันแทรกเข้ามาที่ใจ อย่างเราดูกายเราพิจารณากายเราก็เอาจิตนี่แหละพิจารณาเราพิจารณาเวทนาเวท น, นามันเกิดที่กายนั่งนานๆปวดเรานั่งแค่นี้ก็เราก็ปวดละบางคนก็ปวดอาจจะเหลืออนเหลือทนได้ซ้ําไปนั่งเมื่อกี้นี่ประมาณ50นาทีกว่าเนี่ยเวทนาทุกขเวทนาที่กายเราก็เอาจิตนี่แหละไปพิจารณาทุกขเวทนาที่กายทุกขเวทนามันเกิด มันเกิดจากกายทุกขเวทนามันเกิดจากกายที่มันไม่ปกติเช่นอย่างเรามานั่งพับนั่งงอเนี่ยทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวกมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันขัดข้องของมันมันก็เจ็บก็ปวดขึ้นมาผู้รู้ว่าเจ็บว่าปวดก็คือจิตจิตรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดเห็นไหมรูปธรรมกับนามธรรมมันเกี่ยวข้องกันตลอดพิจารณา กายพิจารณาเวทน า, นาแล้วก็พิจารณาจิตตามพิจารณาอยู่อย่างนี้เราพยายามจับหลักเอาไว้พอเวลาเราไปเจอเวลาขับขันเวลาเรานั่งภาวนาเป็นนานๆเนี่ยเราก็จะได้อุบายเอาขึ้นมาพิจารณาโดยโดย ท, ดยที่โดยที่ปุ๊บปับกระลืบรังปุ๊บปับกระลื้อบรั้งอเอาให้สุดขีดสุดวิสัยเอาให้ประสบเห็นความอัศจรรย์ซะก่อนค่อยลุก ถ้าเราตั้งใจทำอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราได้ได้อุบายได้วิธีได้ความอัศจรรย์ภายในใจเร็วจะ ต, ต้องใช้ความอดความทนอย่างยิ่งยวดเหมือนกันนะ่ะล้วก็ทำกันอยู่แค่นี้เสร็จแล้วทา่านทำไปความเป็นอยู่ของเราความเป็นอยู่เราก็เอาอันนี้แหละเหมือนอย่างพระท่านเป็นอยู่ท้านก็เจริญได้ จนกรรมาฐานได้ตลอดปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะขอบฉันบินทบาทอะไรต่ อ, อะไรเดินยังกลมนั่งสมาธิภาวนาในขณะที่เดินท่านเรียกว่าอยู่ในท่าทีที่เราเดินเดินยังกลมในขณะที่เรานั่งขัดสมาดขัดสมาธิอยู่ในท่าทีทีในท่าทีที่เรานั่งสมาธิถ้าหากเราไม่อยู่ในท่าทีอยู่ในท่า ถ้าที่เราจเจริญสมาธิยืนเราก็สามารถเจริญได้เดินเราก็สามารถเจริญได้นั่งเราก็สามารถเจริญได้ทานู่นทำนี้เราก็สามารถเจริญสติสมาธิมีอยู่ที่จิตก็เพราะว่ามันมีสติกำกับปัญญามีอยู่ที่จิตก็เพราะว่ามันมีสติสัมปชัญญะกำกับตัวสติตัวสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะที่สุด ในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ธรรมะพื้นๆจนถึงธรรมะสูงสุดสดติเพราะฉะนั้นเราควรรู้จักลักษณะของสติรู้ที่จิตของเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปดูที่ตัวหนังสือรู้ที่จิตของเราเนี่ยช่วงไหนที่เราตื่นที่สุดในขณะที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธมันตื่นที่สุดเกจําลองแจ่มเหมือนเห ม, มือนกับมันรุ่งมันมันสว่างภายในจิตเนี่ ย, เ, ยเราก็จับ เราก็จับอันนั้นเอาไว้จับความทรงของจิตอันนั้นเอาไว้จับเอาไว้จับเอาไว้จับเอาไว้ทําไปเวลามันเวลามันอยู่จริงๆเวลามันอยู่จริงๆมันก็อยู่กับความรู้สึกอันเดียวเวลามันอยู่จริงๆมันอยู่กับความรู้สึกอันเดียวมันอิ่มอยู่กับความรู้สึกอันเดียวมันไม่เปลี่ยนจากความรู้สึกอันเดียวไปเป็นรู้สึกอันนั้นรู้สึกอันนี้รู้สึกไม่รู้จกจบรู้สึกอยู่กับอันเดียวจิตก็สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียว ความสงบนี้มีผลมีอ น, นิสงส์เกื้อกูลนะแกจิตใจของเราเราอย่าไปคิดว่าความสงบเป็นสมถะเป็นสมถ ะ, ะ, ะ, ะเสียเวลาสมถะพุทโธพุทโธสมถะเสียเวลาเราทําให้มีพุโทโธในใจซสก่อนสมถะนี้เกื้อกูลนะสมถะของพระพุทธเจ้าเป็นสมถะที่มีสติกํากับมีสัมปชัญญะกับกับ มีอาตปะกรรมกับเป็นสัมมาสมาธิสามารถจะเจริญวิปัสนาพิจารณาแยกแยะตอนนั้นได้ทันทีไม่ใช่สมาธิหัวต่อสมาธิแบบไม่มีความรู้สึกตัวเอามาทำงานทำการอะไรไม่ได้คืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็เจริญอน า, นาปานสติเห็นไหมมันเป็นลักษณะเราถ้าเราจะว่าสมถะก็ใช่ แล้วจะว่าวิปสัสสนาก็ใช่พอทําไปแล้วมันประกอบเราจับอันนี้เป็นหลักแล้วเราก็ทําไปกําหนดพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกตามหลักมหาสติปัฏฐานเราไปดูละเอียดมากะละเอียดมากแต่ครูบาอาจารย์เราท่านท่านก็ประยุกต์เอามาใช้หลวงปู่สาวหลวงปู่มัน่นหลวงตาเนี่ยหายใจเข้าให้ลำรีว่าพุทธหายใจออกลำรีวร่าโธ ปลอยตามสะดวกสบายไม่เกรง็ไงรไม่บังคับไม่บีบไม่บังคับไม่ผ่อนสั้นไม่ผ่อนยาวปลอยตามเอาผู้รู้ดูให้เห็นจริงๆไม่ไม่เอาผู้รู้ไปกํากับไปบังคับมันนีดูไปดูไปดูไปเพลินสบายเย็นจิตเริ่มสงบเริ่มนิ่งเหมือนไกวเปร์เหมือนเราอยู่ในเปร์พ่อแม่ไกวไกวเย็นพัด ส, สบายไปลักษณะ เคลื่มๆ เ, เหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในอู่ที่แก ว, ว่งนั่นแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เหมือนกันนั่นแหละเรากำหนดเข้ากําหนดออกบางคนด้วยเหตุที่แกล้งแกร้งลมซะจนบางคนไม่เคยหายใจเต็มทอ้องไม่เคยหายใจเต็มปอดพอเรามาเจออย่างนี้ไปสักพักหนึ่งเ อ, อ้าทำไมเราหายใจสบายเหลือเกินเพราะอะไร เพราะเราปล่อยความเกร็งที่เราเคยเกร็งเราปล่อยให้ร่างกายปล่อยตามธรรมชาติของมันปล่อยให้มันเข้ามันออกตามธรรมชาติของมันเราไม่ต้องทําอะไรมันหายใจตามธรรมชาติของมันนะเหมือนอย่างเรานอนหลับเนี่ยมันก็หายใจตามธรรมชาติของมันแต่เวลาเราตื่นขึ้นมาเรามักจะเหมือนกับบีบบ้างบังคับบ้างอะไรบ้างลมของเราไม่ให้มันออกสะดวกสบายช่วงที่เราปล่อยให้ลมออกตามสะดวกสบายก็คือช่วงที่เรา กำหนดภาวนาเนี่ยแหละเราจะรู้สึกว่าได้รับความสบายความเยือกเย็นเร็วให้เรามีตรงนี้ก่อนอย่าไปทาในความสงบขอให้เรามีความสงบซะก่อนเราจะเห็นคุณค่าของความสงบถ้าจิตเราไม่สงบเนี่ยเราจะเอาไปพิจารณาอะไรได้ไปพิจารณามันก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดอะที่จะไปเห็นสัจธรรมที่แท้จริงมันเห็นไม่ได้เห็นแต่ กนอุบายมายาของเกเลต ท, ที่มันแทรกเข้ามาเนื่องจากจิตไม่มีพื้นฐานจิตไม่มีพื้นฐานของความสงบจิตที่มีพื้นฐานของความสงบจิตมันแนบแน่นมันตั้งมัน่นมันอยู่ลึกออยู่ในหัวใจอยู่ในทํากลางหน้าอกเราเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแหละถึงแม้ว่า หูจะได้ยินตาเห็นรูป ก, ก็ตามหูได้ยินก็ตามอะไรก็ตามแต่ใจมันอยู่ในหลักของมันใจมันอยู่ในเบ้าของมันคือความสงบตรงนี้ใจมีอยู่ในความสงบถ้าเป็นถ้าเป็ น, ถ, ปนถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นธนูก็อะไรอยู่ในอยู่ในอยู่ในล่องธนูอยู่ในแร่งธนูถ้าเป็นธนูสมมติเอาไปพิจารณาพักเมื่อเราปล่อยปล่อยสอนปั๊บ มันก็ตรงมันก็ตรงไปเลยมันไม่สเปะสปาจิตของเราที่มีความสงบมันมีที่อยู่มันมันไม่ใช่ว่ามันจะไปตามรูปที่เราเห็นทต่างง่ายๆเห็นก็เห็นอยู่แต่มันอยู่ที่นี่มันไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นปกติถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยเห็นก็เห็นไอ้ผู้รู้กับผู้เห็นอันเดียวกันเน่ยแต่ผู้ที่มีความสงบนั่น่ะความสงบของจิตนั่น ผู้รู้ผู้เห็นก็อยู่ที่นี่สิ่งที่ถูกเห็นก็อยู่ที่นู่นมันไม่ได้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันแยกกันโดยอัตโนมัติมันเห็นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็วิญญาณที่ท่านเรียกว่าวิญญาณอาคารมันก็ย็บเย็บยยจะเป็นรูปก็ตามเป็นเสียงก็ตามเป็นอะไรก็ตามมันมาสัมผัสเป็นเย็บเป็นเย็บเป็นย็บเป็นย็บเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านมีสมาธินี่ท่านจะจับได้ละเอียดรายละเอียดว่าคนที่ไม่มีสมาธิ คุณสมบัติของจิตที่มีสมาธิจะแตกต่างจากคนที่ไม่มีสมาธิคุณสมบัติของจิตแตกต่างกันมากเราทายไม่ได้เราเดาไม่ได้เราคาดคะเนย์ไม่ได้คาดไม่ได้เดาไม่ได้คะเนย์ไม่ได้มันหากมีสิ่งแปลกๆทาให้มีทําให้เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านทำ ธรรมะเกิดขึ้นได้ทุกระยะทุกเวลาด้วยแล้วเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะท่านมีอันนี้เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานทำจนชำจิดชำนาญทำจนคล่องแคล่วทำจนเท่าทันความอยากความอยากมาแทรกไม่ได้ความอยากมาแทรกไม่ไ ด, ไได้จนมีแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์อยู่ข้างในเนี่ยไม่ไปปนเปื้อนกับกลอนอุบายมายาของกิเลส กนบายมายาของกิเลสแสดงภายในจิตไม่ได้มันหมดมันหมดพยศจิตมันหมดพยศกิเลสมันก็เกิดขึ้นจากจิตที่มันพยศนั่นแหละจิตที่มันหลงตัวเองอ่ะมันได้จิตออกมันได้จิตขึ้นมาเนี่มันได้สิ่งพิเศษเพราะได้สิ่งพิเศษมาแล้วก็อนั่งก็ได้เห็นก็ได้ได้ยินก็ได้สัมผัสก็ได้อะไรก็ได้ก็เลิ้งตัว ก็เลยไปเที่ยวกว้านเอาสิ่งที่เห็นทเที่ยวกว้านเอาสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่นึกคิดรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอิสระของกิเลสมันมีมาพร้อมๆกับกจิตนั่นแหละท่านให้มาชำระสิ่งเหล่านี้ชำระจนจิตไอตัวที่มันเป็นตัวพยศน่ะมันหมดไปซักไปชะไปล้างไปจนมันหมดไปเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราพิจารณาตามหลักนี้เราเห็นความเป็นไปได้ พระพุทธเจา้าพระสงค์สาวกพระอริยาสาวกครูบาอาจารย์ที่ท่านจำระขัดเกล่าแล้วก็ผ่านไปได้หมดไปได้หมดไปได้ด้วยวิธีการอย่างนี้นี่เราเล่าพอเป็นกลุยธหมายไพ่ทางพอเป็นกําลังใจแก่พวกเราตั้งออกตั้งใจทํอาปัญหาเพิ่มเติม <laughs> พูดไปก็ไม่จบพูดอย่างนี้แหละพูดทั้งคืนก็เป็นอย่างนี้แหละคุณหมอไม่อยู่ไปไหนไม่ไปเลยไม่ป ไ, ไมเปไเลยเพื่นไม่สบายเพื่นพักเพื่อนเป็นหมออยู่ละอ่าอ่าอ่อ่ วัสามสี่สิบสี่สบห้าเมื่อไรจะถึงเวลาเมื่อไรจะถึงเวลาเละนั่นความอยากมันแทรกเข้ามาที่ใจอย่างนี้เมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงความอยากมันแทรกเข้ามานั่งแช่มันอยู่เนี่ยดูค่อยดูไอตัวความอยากมันดิ้นนั่งแช่ยมัดมันอยู่นี่แหละค่อยดูมันดิ้น เราดูให้เห็นเป็นอุปมาไม่งั้นเราก็จับอะไรยากอกุนะบาอาจารย์ท่านเทียบกิเลสเหมือนกับสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนพอให้เป็นเครื่องต่อสู้ให้พวกเราจับหลักได้โดยที่แท้จริงกิเลสไม่มีตัวไม่มีตนกิเลสเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนหากเป็นกลนอุบายมายาอันชั่วหยาบของใจของเราเอง ศัตรูตัวที่ร้ายกาจก็คือใจของเราเองที่มันยังไม่ฉลาดพอถ้าเราจะเครียดเราเครียดอะไรใครแล้วก็เครียดให้ใจของเราเราจะทำทำทำทำให้ใจของเราจิ้มเข้าไปที่ใจของเรานะอือยากฆ่าอยากแกงอยากดา่ดาโคตรด่าใท่อะไรกับฟาดไปที่ใจของตัวเองอ่ะเพราะศัตรูศัตรูตัวที่ร้ายกาจมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ไหนท่านดูที่ โดยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เท่าทันมันเากไปหาโทษน้นโทษนี้โทษสิ่งน้นโทษสิงนี้โทษผีสางเทวดานางไม้เคราะหามยามไรอะไรสารพัดโทษโทษแบบไม่มีเหตุผลอโทษแบบผิดผิดโทษแบบไม่รู้ข้อเท็จจริงโทษแบบไม่ดูความจริงไม่รู้เท่าทันตามที่มันมีจริงเป็นจริงแต่ถ้าเราดูมาข้างในเนี่ยเราจะเห็น ตัวที่เป็นโทษเป็นศัตรูที่ร้ายกาจก็คือตัวนี้แหละตัวกิเลสที่มันแทรกอยู่ที่จิตของเราเนี่ยตัวนี้แหละถ้าตัวนี้หมดไปแล้วอยู่ที่ไหนเป็นสิริมงคลที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนชาติชั้นวรณะไหนก็ตามพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประเสริฐเลิศเลยเหมือนกันหมดดิบดีวิเศษวิโสเหมือนกันหมดไม่สําคัญว่าชาติ ช, ช, ตชตั้ชาติชั้นวรณะไหนพอมาทําอย่างนี้ได้แล้วก็ประเสริฐหมด เพราะมันไม่มีศัตรูอยู่ข้างในมันไม่มีตัวโอบาสตัวจันไรยอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราควรจะเคตดลาว่าต่อไปนี้เราจะไปโทษสิ่งนู้นเราจะไปโทษสิ่งนี้ของนอกตัวเราของนอกกายเราโทษคนนั้นโทษคนนีโ้โทษสิ่งนู้นโทษสิ่งนี้ผิดหมดเราต้องมาโทษที่จิตของเราจิตของเรามันไม่ทันมันไม่ทันไม่ทันเหตุไม่ทันผล ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลแล้วก็โทษไปแบบสุ่มเอาผิดผิดถูกถูกแทนที่แทนที่จะเกิดโทษคนหนึ่งไม่พอเกิดโทษคนนั้นด้วยคนนี้ด้วยคนนั้นด้วยคนนี้ด้วยเนื่องจากการที่ aste. เราไปคาดโทษนั่นแหละตัวแท yeah ้ยิงตัวโทษมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่ยยืนตรงไหนมันก็อยู่อยู่ด้วย BET trimming, ตรงนั้นแหละนอนตรงไหนมันอยู่ด้วยตรงนั้นแหละเราก็เราก็ไม่เคยย้อนมาดู แล้วก็โออารู้หร่าโอเราฉลาดโอเราเก่งโอเรารวยสารพัดที่มันจะยุใหแย่เข้ามาเสร็จแล้วมันก็เอาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือเสริมกำหนักเข้าไปอีกกำชั่วช้าละมกบางอย่างก็อาศาัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือเสริมเข้าไปอีกนี่แหละคนเรามันหลงวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละย้ำไปย้ำมาย้ำมาย้ำไปไม่มีจุดจบในวัฏสงสาร ย, ยิ่งยืดยาวไปเท่า ไ, ไหร่ย้ำแบบไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนปลายย้ำไปลงตาท่านว่าเหมือนมดแดงไตขอบด่องไม่มีไม่มีต้นไม่มีปลายย้ำอยู่อย่างนั้นแหละย้ำอยู่ที่เดิมย้ำอยู่ตรงนี้แหละเพราะไม่เคยย้อนมาดูย้อนมาเห็นถ้าเราย้อนมาดูย้อนมาเห็นแล้วก็ตัดสิ่งเหล่านี้เหมือนกับตัดอิเลตัดกรรมตัดวิบากตัดกิเลสได้ไม่มีกรรมไม่มีวิบาก วัตวณกิเลสกรรมมัวิบากกิเลสกรรมมัวิบากอันนี้เป็นวัตวณมีอยู่ที่จิตกิเลสกรรมกิเลสเป็นเหตุให้สร้างกรรมทําอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นวิบาก ค, คือผลของกรร ม, มเราจะทําตอนไหนขณะไหนเวลาไหนก็ตามจะต้องมีผลตามมาเพราะในขณะที่เราทํานั้นอนะ่ะมันเป็นการสร้างเหตุในเมื่อเราสร้างเหตุเอาไว้แล้วผลจะต้องตามมา ที่เขาเรียกว่ากรรมกรรมลงมือทำลงไปแล้วเป็นการสร้างเหตุผลก็จะต้องตามมาทุกอย่างมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาเพื่อมารู้เท่าทันเพื่อมาจับหลักความเป็นเหตุเป็นผลเหมือนอย่างที่ว่าพยายามมองให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเข้ามันก็พยายามมองให้เห็นเหตุนั่นแหละอะ แต่เรามักจะโทษแต่ผลเราไม่เคยย้อนไปดูเหตุเวลาเราแก้เราก็แก้อย่างสเปสปะแก้อย่างไม่รู้ว่าเหตุผลที่เกิดขึ้นอันนี้เนะมันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรเราไม่เคยย้อนไปดูแล้วย่าอยู่อย่างนี้แหละทุกอยู่อย่างนี้แหละทรมานอยู่อย่างนี้แหละเกิดตายเกิด ต, ต, ตายกี่ภพกี่ชาติไปอยู่อย่างนี้แหละไม่เข็ดไม่หลบับสําคัญมันหมายสําคัญตัวอยู่ร่ําไปไม่จบไม่มีที่จบมันละเอียดนะธรรมะอื แค่ทำให้ใจสงบอ่ะเราพิจารณาย้อนไปย้อนไปย้อนไปเราจะเห็นเห็นความละเอียดภายในใจของเรามันก็พร้อมที่จะเกิดความฉลาดขึ้นฮะปัญหาข้อเดียวอ่ะแกง่วงอ่ะท้ไามายืดยาวอ่ะฮะม่ยิ่งง่วงเพิ่มอีกแล้วฮะ อีกบริกรได้เวลาแล่ยั้งนั่นเห็นไหมเบิ้งอยู่เรืยดูอยู่เลืยเราให้ทานมาเราให้ทานมานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาความสุขมาสู่ใจของเราเราตั้งใจรักษาสินเราเอาผลผลผลเหล่านี้ เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาที่ใจของเราแล้วก็พยายามขัดชําระขัดกลาวจิตของเราเนี่ยพยายามให้มีสติให้มีสมัชัญจะให้มีปัญญารู้เท่าทันเรายิ่งทําได้มากเท่าไหร่นี่แหละคือบุญบุญเกิดขึ้นตรงนี้อย่างนี้บุญก็คือความดีบุญท่านว่าอะไรท่านทลายว่าอะไรบุญคําว่าบุญบุญคืออะไรเป็นอะไร บุญแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญบุญภาษาบาลีบุญยังบุญญะบุญยังภาษาบาลีบุญแปลว่าความดีอ่ามันวิ่งหามันวิ่งหาตัวตัวหลักตัวประธานละ่ะอะไรดีใจดีใจดีต้องใจไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นนั่นคือใจดี ไม่ใช่นั่งยิ้มโอ้ยคนนี้ใจดีเหลือเกอินนั่งยิ้มออันนี้ก็คือดีกิริยาเราเห็นว่าดีแต่ดีที่แท้จริงก็คือประจากราคะโทสะโมหะบางทีท่านอาจจะพูดบงเบงบงเปงบ่งเป ง, ง, ง, ง, งเหมือนครูบาอาจารย์บางบางท่านบางองคอ์แต่ภายในใจของท่านไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนี่คือใจดีอืม ใจดีใจดีก็คือมีบุญเต็มที่มีบุญเต็มเปี่ยมสังสมมาแล้วอบรมมาแล้วจำระมาแล้วขัดมาแล้วกล่าวมาแล้วหมดจดมาแล้วบริสุทธิ์มาแล้วถึงสุขเต็มที่มาแล้วประมังสุขขังถึงความมาสุขถึงบรมสุขอย่างยิ่งในใจดวงนั้น <c oughs> นี่ก็เป็นความรู้สัเพเรละทั่วๆไป แต่ก็เป็นอุบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเราจับได้ท่าพยายามจับจับจุดคือความสงบให้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะแตกกระจายเข้าไปเองแตกกระจายไม่มีสิ้นสุดพยายามให้ได้รับความสงบแล้วก็ให้มีเวลาต่อสู้เวทนาบ้างพิจารณาดูข้างในหมุนอยู่ข้างในมัดมันอยู่ข้างในอัดมันอยู่ข้างในเนี่ยปิดประตูตีมันอยู่ข้างในนคนบ่อยๆรื้อบ่อยๆขบเขี้ยวอยู่บ่อยๆ เดี๋ยวของดีมันก็โผล่ออกมา้เห็นบางคนก็ทำง่ายง่ายปฏิบัติทำแต่เข้าทำมามากแล้วเหมือนอย่างพระพาหิยะเงี้ยพรุทธเจ้าเทศยังไม่จบหนึ่งคาถานยะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ท่านทำมามากแล้วมันคล้ายๆกับมีอะไรคาอยู่นิดหน่อยในดวงตามีคนมาเขียให้นิ ด, น, ดนิดหน่อยก็ร่สว่างออกมาแล้ว เอ๊คนนั้นทําไมบรรลุง่ายคนนี้ทําไมบรรลุยากยก็เพราะท่านทํามาท่านทํามาเต็มเปี่ยมแล้วแต่ท่านก็หมดบุญในอัตภาพนั้นๆมาเกิดเอาใหม่อจิตที่มาเกิดเอาใหม่ก็เป็นจิตที่ฉลาดแล้วเราดูแต่เด็กอายุเจ็ดขวบฉลาดสามารถทันกิเลสเป็นพระอาหารหันต์ได้เราดูสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเขาไม่สังสมอา ร, รมณมาก่อนเขาจะทำได้แล้ว เนอย่างสังกิจจะสมณเณรราหุลสมณเณร <c oughs> ติดสะสมณเณรเนี่ยพวกโสปาตะสมณเณรเนี่ยอย่างนักวิสาขาเนี่ยเป็นพระสวสดาบาลอายุเจ็ดปีเจ็ดขวบ mm hmm. เขาสังสมมามากแล้วคือจิตมันรู้จิตมันฉลาดมาพอแล้วพอเวลาอัตภาพร่างกายมาได้สัดส่วนขนาดนี้มันก็พร้อมที่จะออกมาสนองตอบทำให้ รับผลเหล่านั้นเต็มที่ได้เรามาเทียบดูกับพวกเรานะอายุห้าสิบหกสิบ็ดิบปดสิบเก้าสิบทำไมเรายังไม่ลฉลาดเหมือนท่านก็เพราะเราสั่งสมมาน้อยบุญในใจของเรายังน้อยไปมันยังไม่มากแต่ของท่านน่ยท่านอมบุญเต็มเปี่ยมบุญที่มากับใจของท่านมาเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นท่านชำระมาแล้วท่านขัดมาแล้วท่านกล่าวมาแล้วเนี่ย ท่านชำระนิดเดียวท่านก็ได้แล้วอชำระ น, นิดเดียวท่านก็ได้แล้วออายุแค่เจ็ดขวบท่านก็ได้ท่านก็ทําได้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเอามาเทียบกับพวกเราหนะ้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีปฏิบัติทำมาเป็นแรมปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปียังไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่าง นี่มันแตกต่างกันการสังสมอบร ม, มเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทในการสังสมอบรมบุญเข้าสู่จิตใจนี่แหละจึงเป็นผู้มีเห็นประโยชน์ของตัวเองเห็นสาระในใจของตัวเองตั้งใจขวนขวายสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างจริตนิสัยให้กับตัวเอง สิ่งไหนที่จะพาจิตของเราออกนอกลู่นอกทางออกนอกแนวของศีลของธรรมก็พยายามดึงออกถ้าเราไม่พยายามฝึกพยายามฝืนอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันจะดึงไปจนเสียยิ่งสังคมปัจจุบันด้วยแล้วเนี่ยมันมีสิ่งยั่วยวนพาให้จิตเราเสียเสียง่ายๆเสียง่ายมากอืสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอันเป็นกลอุบายมายาของกิเลส ท, ที่มันแผ่ออกมาให้โลกเห็นเนี่ยบางทีเขาก็มีให้ดู ในทีวีในมีให้ดูในวิทยุในอะไรต่ออะไร <c oughs> เราไปได้ยินได้ฟังเราได้เห็นอ้าวจิตมันก็ซึมซับเข้ามาแตกละจิตแตกละเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเหยื่อของกิเลสมันเป็นอาหารของกิเลสใจของเรามีกิเลสพอมันเจอเหยือ่อเจออาหารเนี่ยมันก็บริโภคเต็มที่เลยอาหารมีเท่าไหร่มันบริโภคหมดถ้าเป็นของในตลาดกัดวางขายวางไม่ มัานเนี่ยเมาหมดเกลี้ยงเมาหมดเกลี้ยงเมาหมดเกลี้ยงเพราะอะไรมันเพราะอาหารของกิเลสยือของมันเชื้อของไฟถ้าเราจะเทียบ ก, กิเลสเหมือนกับไฟเยือต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นก็เหมือนกับเชื้อไฟใส่ไปเท่านั้นจะพอไม่มีวันพอมันเป็นอาหารของมันเป็นอาหารของมันไอกิเลสมีอยู่ภายในใจอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นมันอะไรคืออาหารของมันเนี่ย ใส่ป๊อปมันก็ติดกันป๊อปใจของเราที่มีกิเลสตัณหานะเป็นใจที่มียางเหนียวถ้าเราจะเทียบเหมือนกับตัวเราที่มันเหนียวๆ น, นี่แหละไปเดินใกล้คี้ฝุ่นขี้ฝุ่นอะไรก็ตามที่มันพัดมาผ่านตัวเรานะติดพัดอะไรมาติดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ติดหมดจิตใจของเราที่มีราคะโทสะก็เช่นเดียวกันอารมณ์อะไรที่มันมั น, ม, นมันชวนยั่วยวนชวนใจเนี่ยติด ผ่านมาแล้วติดผ่านมาแล้วติดเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเราอยากเข็ดอยากหลาบเราอย่าไปลองอย่าปล่อยโอกาสให้กับเด็กอย่าปล่อยโอกาสให้กับลูกกับหลานการที่เราปล่อยโอกาสมันเป็นการให้เขาไปลองลองไปลองไ ป, ลงไปแล้วก็ติดติดแล้วก็จนเคยชินยิ่งเพิ่มความกระด้างของจิต ด, ดวงนั้นให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งดูยาก แก้ไขยากรักษายากกำกับดูแลยากเข้าไปอีกในจิตของเราเช่นเดียวกันจิตมันแก่ไม่เป็นจิตมันเท่าไม่เป็นแต่ถ้าบุญมากเขาเรียกว่าแก่บุญถ้าบาปมากเขาเรียกว่าแก่บาปมันแก่ในลักษณะนี้จิตของคนเรามันไม่ใช่ว่าแก่เหมือนร่างกายร่างกายมันเป็นธาตุสี่ เวลามันแก่ก็คือมันสุดโทมไปอายุไข50ปี60ปี70ปี8ปปี90ปี1 0อยปียังมากมันก็หมดสภาพระบบเรียบเียบระบบอะไรของมันมันหมดสภาพแต่จิตคือผู้รู้มันไม่แก่มันไม่แก่ลักษณะนี้แต่มันแก่อีกลักษณะหนึ่งถ้าบาปมากมันก็แก่บาปนั่เรียกว่าแก่บาปถ้าบุญมากมันก็แก่บุญ เราจะให้มันแก่อะไรเราจะให้มันแก่บาปบาปไม่เคยให้ความสุขกับใครเราต้องให้แก่บุญบุญเพิ่มพูนความสุขความชุ่มเย็นในหัวใจเราอยู่เราก็มีความผาสุขเราละโลกนี้ไปแล้วเราก็ไปสู่สุคตินี่คือทัศนวิสัยของชาวพุทธเรามองตรงนี้ให้ะลุไม่งั้นเรารักษาสถานภาพของตัวเองไม่อยู่อย่าลืมว่าเราได้มาเราได้เราได้มาตามบุญเก่า ที่เรามาอยู่กันทำกันนี้มันเป็นการสร้างอาบุญใหม่บุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ถ้าเราไม่เพิ่มก็หมดนะบุญเก่าส่งรามาดีแล้วถ้าเราไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเราเอาบุญเก่าที่บุญเก่าส่งมาแล้วเอามาผู้ยิ่งผู้ยาทําอันตรายทําร้ายร่างกายของตัวเองทำร้ายจิตใจของตัวเองเราก็ยิ่งตกต่ำเข้าไปอีก เคยเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์พบชาติต่อๆไปอาจจะเป็นสัตว์ในไร่ฉานก็ได้ เ, เลวมากไปกว่านั้นอีกไปตกนรกหมกใหม่ชั้นลึกๆลงไปอีกคือความต่ํำสามของจิตถ้าเราปรับสภาพให้ดีขึ้นอามาเกิดเป็นมนุษย์เท่าเดิมดีละเอียดมากไปกว่านี้เป็นเทวดาก็ยังดีวัตตะสงสารใช้สอยของทิพย์อยู่เป็นทิพย์ เจริญภาวนาจิตสงบได้บ้างไปเป็นพระพรหมอยู่อย่างสงบพิจารณาเห็นอัดเห็นธรรมได้บ้างหรือเข้าถึงกระแสธรรมเราก็สามารถย่นพบย่นชาติได้แทนที่จะไปอย่างไม่จุดไม่มีจุดจบเราก็จะมีจุดจบสองปีสาปีเจดปีเป็นอย่างช้าพระโสดาบันอุปยามพยายามตั้งออกตั้งใจตะเกียบตะกายให้ได้ความสงบ พิจารณาเกิดความรอบรู้ใบสามพอดีเอ้ยใบสี่พอดีใบสี่มองพอดีใบสี่มองพอดีแล้วทํายังไงแล้วเรามารวมกันอีกตอนไหนหกโงเย็นหกโมงเย็นแล้วเราทําวัดกี่ทุ่มหกโมงครึ่งหกโงเราก็มารวมกัน หกโมงครึง่งเราก็สวดมนต์หนังสือทำวัดก็เอาหนังสือทำวัดที่ทําเต่าออกมาแหละเพราะมันสั้นๆเราเราไม่พาสวดมากอาจารย์จิรวัตรท่านสวดมากเมื่อคืนนี้กันนูน่นสวดที่นุกนสวดมากเป็นชั่วโมงคืนนี้สายท่านชอบสวดมากเราลงตาพาสวดแค่นั้นเราเอาแค่นั้นแหละอืแต่เรา่านั่งภาวนามากๆสวดน้อยน้อยนั่งภาวนามากๆ สวดมากๆนั่งภาวนาน้อยนอยมันได้การต่อสู้นิดหน่อยอสวดน้อยๆ้อยนั่งภาวนามากๆเราได้การต่อสู้มาก่ากมีอะไรคุยกันบอกกันครับก็เดี๋ยวเรา